ที่ไหนมาจากกรุงเทพครับผมนนทรรเคยมาห่เคยมาเคยมาแล้ทางนี้มาที่ไหนมจากนนค่ะนี่ครั้งแรกมาด้วยกันนะไม่ค่ะมาจากนนท์มอนกันค่ะมากันหลายคนอป่าพมากกับสามีค่ะอดีเข่าเสียเลยนั่งนนมีธระหลายหรือป่ะ ก็ไม่ดี ว, ว่าูได้คือพเพื่อนแนะนํำมาค่ะเพื่อนเขาที่เขาเรื่องมีบุตรยากอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าให้เรามาฟําเที่นี่แล้วตอนนี้เขาก็ติดไปแล้วเลยเขาก็เลหมือนแนะนํามาเลย <c oughs> เลคือทําทุกวิธีทางทางหนึ่งก็คือทําใจให้สบายค่ะ อยา่ า, ยาไปอยากได้ใช่ก็คือขอให้แนะนําให้มาฟังเทศถ้าอยากแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนคนปฏิบัติธรรมอยากจะให้ใจสงบ <c oughs> เวลาปฏิบัติแล้วอยากมันจะไม่สงบ <c oughs> เพราะความอยากมันจะทําให้ใจเครียดขึ้นมาเหมือนเวลาอยากได้อะไรมันจะทําให้ใจเครียด <c oughs> แล้วมันจะไปรบกวนการทํา ง, งานของร่างกายได้ ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าประยาดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันมันก็ดีทั้งสองอย่างไม่มีก็ไม่มีภาร ะ, ะมีมันก็มีเพื่อนมีอะไรไว้สำหรับเป็นประโยชน์กับเราต่อไปข้างหน้าได้ แล้วมันก็มีมีมันมีดีมีไม่ดีทั้งสองสองทางมีก็มีก็ต้องมีภาระดูแลเลี้ยงดูแล้วก็มีความทุกข์ความห่วงใยความวิตกกังวลต่างๆมันก็มีมีดีมีเสียมีได้มีเสียทั้งสองทาง ไม่มีก็ไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลไม่มีวิตกไม่มีการพัดพากจากกันถ้ามีเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพากจากกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังในสมัยพุทธกาลก็มีแม่ได้ลูกมาคลอดลูกออกมา ได้ไม่กี่วันลูกก็เสียลูกเสียก็ร้องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูกฟื้นคืนขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรไม่ได้นอนก่อดลูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอ่อรักลูกมากอยากจะให้ลูกเฟื้นชาวบ้านเห็นก็สงสาร กาแนะนำอย่างนี้บอกให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอได้เธอก็เลยดีใจว่ามีมีความหวังมีคนที่จะมาช่วยลูกของเธอก็เลยอุ้มลูกอุ้มศพของลูกนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าได้ข่าวว่าพ ร, พระองค์สามารถทจะช่วย ลูกได้ช่วยให้ลูกฟื้นคืนขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวขอให้เธอไปหามาเล็ดปากกามาให้สักกรมือหนึ่งเราจะช่วยทำให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมาเธอก็ดีใจแต่พระพเจ้าบอกว่ามาเล็ดปากกาที่เธอไปหามานี่ต้อง ไปได้มาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะบ้านที่มีคนตายจะใช้ไม่ได้เธอก็เลยดีใจรีบกลับไปหมู่บ้านไปเคาตามบ้านของคนที่อยู่ในหมู่บ้านเคาบ้านที่ถามว่ามีเมล็ดักการหรือเปล่าเค้าบอกมีแล้วถามว่าบ้านนี้มีคนตายหรือเปล่าเค้ากบอกมี มีตามียายมีป้ามีอามีน้ามีพี่มีน้องมีคนตายไปเคาะบ้านไหนก็ได้คาตอบเหมือนกันเคาะจนเหนื่อยจนเห็นสันความจริงว่าที่ไหนก็มีความตายเหมืนนเธอก็เลยยอมรับความจริงยอมรับว่าลูกของเธอ ก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครไม่ตายเพีงแต่ว่าจะตายเร็วหรือตายช้าตายก่อนหรือตายหลังพอพอเธอยอมรับความจริงได้เธอก็หายเศร้าโศกเอาลูกไปฝังไปทำชาปน ก, กิจต่อไปพระพุทธเจ้าช่วยช่วยทางจิตใจ ทางร่างกายนี้ไม่มีใครช่วยใครได้แม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าเองก็ก็ต้องตายเหมือนกันแต่ใจนี้ถ้าเห็นความจริงว่าร่างกายต้องตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายอันนี้คือเรื่องที่นึกขึ้นมาได้ เกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะมีลูกก็ให้เราให้ฟังไว้เผื่อจะได้ไม่ไปทุกเกิดมีลูกแล้วลูกเป็นอะไรไปเพราะเราไม่รู้ว่าลูกที่เกิดมานี่จะอยู่ยาวหรือไม่ยาวจะพิกลพิการจะเป็นปกติหรือไม่อาการจะครบสาสบสองหรือเปล่า จะมีปัญหาตามมายิ่งสมัยนี้เขาเขารู้เรื่องหน้าก่อนถ้าเกิดหมอบอกว่าลูกลูกลูกที่อยู่ในท้องนี่ไม่ปกติเราจะทำยังไงเราจะเก็บไว้หรือว่าเราจ ะ, ะ, ะทำแทง้งมันก็มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทำแท้งก็บาป ถ้าให้ลูกคลอดออกมาก็ต้องเรียกรูกพิการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนอยากจะได้อะไรมักจะมองไม่เห็นกันมักจะไม่มองกันคิดว่าสิ่งที่ได้จะต้องดีเหมือนกับที่เห็นเห็นคนเลยก็มีลูกน่ารักก็จะคิดว่าพอได้ลูกก็จะได้ลูกน่ารักเหมือนของเขาแต่เราไม่เคยไปดู เรียนโรงเรียนเด็กพิการบางใช่ค่ะไปตรงบ้านเด็กพิการซ้ําซ้อนงานัพาแล้วก็ไปเรื่องเกี่ยวกับทางมูลนิธิมูลนิธิเด็กเะไรนะคะก็ดีถ้าได้ไปดูก็ดีไปบ่อยเหมือนกันไปทำบุญแต่ก็ยังมองไม่เห็นเห็นก็องสารแต่ไม่เคยน้อมย้อนกลับมาว่ถ้าเกิดเป็นรูปของเราเราจะทำยังไง ยังไม่ได้คิดถึงกาวนะจริงๆค่ะว่าตอนคือแรกๆความอยากมีอย่างที่ที่อาจารย์พูด่ะคะแต่ว่าตอนเนี้ยความอยากตรงนั้นอ่ะมันลดลงแล้วแต่ว่าพอดีว่าคือเพื่อนอ่ะเขาอยากให้มาฟังเทศเขาแนะนํามาว่าเออว่าลองมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เออว่าโอเคว่ะจริงๆที่เนี่ยเคยมาแล้วที่วัดยาในสมบัติเคยมาแล้วแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาข้างบนก็เลยถามว่ามีด้วยหรอ ก็เลยคือมันก็เลยเหมือนอยู่ในหัวว่าโอเคว่าอยากลองมาก็ตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วค่ะค่ะแต่ว่าความอยากที่ที่ที่บอกคือความอยากมันมีแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันลดลงไปแล้วอก็เอาละคิดว่ามีกระด้ไม่มีก็ได้อถึงแม้ว่าแบบมีหลายฝ่ายกดดันว่าเออเมื่อไรจะมีอายุเท่านี้แล้วเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะทําให้สบายใจขึ้นใช่ตอนนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้กดดันอะไรมากอ คนอื่นเขากดดนันั้นไม่ได้หรอกคามคือเรากดดันตัวเราเองเพราะใจเราอ่อนไหวไปกับความกดดันของคนอื่นใช่คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สองฝั่งคนจีน ด, ด้ว ย, ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบอยากให้แบบมีทุกข์สึดท่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยบางทีก็มีบ้างที่แบบนึกแล้วแบบเออเอเอเ อ, เ อ, อยากเอออยากมีกับความอยากของนั้นบางทีก็บางทีก็คุยกับแต่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เนาะไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ดีอืไอย่างเงี้ยค่ะ มอง่งนี้แล้วมันก็จะสบายใจค่ะได้ก็ดีใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังอันนี้พูดจริงๆค่ะว่าไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะมีคือถึงเวลาถ้าเขาอยากมาก็มาเองค่ะเนยแล้วละ่ะคือแบบนี้ก็จะได้สบายใจเพราะไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความสบายใจถ้ามีแล้วไม่สบายใจหรือไม่มีแล้วไม่สบายใจมันก็มันก็เป็นปัญหา เราต้องใช้ธรรมะมาสอนใจแล้วธรรมะจะสอนให้เราสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีก็สบายใจไม่มีก็สบายใจถ้าเราถ้าเราเห็นความจริงแล้วเรารับความจริงได้คนเราที่ไม่สบายใจกันก็เพราะ ไม่เห็นความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงกันชอบอยู่กับความฝันฝันอยากจะได้สิ่งนั้นฝันอยากจะได้สิ่งนี้คิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่พอได้จริงๆกับกายเป็นความทุกข์ไปก็มีเพราะไม่ได้มองเอกด้านหนึ่งของสิ่งที่เราได้มา ไม่ว่าอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเราต้องมีวันเสียมันไปต้องมีวันพลาดพลาดจากกันเราต้องจะมองไม่เห็นด้านนี้กันเราจะเห็นว่าได้อะไรแล้วเราจะได้ความสุขจากสิ่งที่เราได้แต่เราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราได้นี่อาจจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ เวลาจากมันก็จะทำให้เราเสียใจทุกข์ใจได้เป็นปัญหาของคนที่ไม่ได้เข้าศึกษาธรรมะกันถ้าได้เข้าศึกษาธรรมะเราจะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องมีอะไรความสุขที่อยู่ เฉยๆได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ความสุขแบบนี้จะเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียเ ม, มื่อไม่ไม่ไม่เสียอะไรก็จะไม่เสียใจความสุขใ จ, จเป็นของที่เราสามารถมีได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขใจกับเรา เงแต่เราต้องหยุดความอยากทำใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ทาใจให้สงบได้ความสุขใจก็จะโผล่ขึ้นความสุขนี่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้หรือได้ทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทาเพราะว่า ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้อะไรมาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเราเดี๋ยวก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อมันก็มีอะไรอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ก็จะเสียใจรือได้มาแล้วเสียไปก็จะเสียใจเหตุนี้นเราอยู่ในการหาความทุกข์กันโดยไม่รู้ตัว การหาการอยากได้อะไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วใช่ยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ก็ทุกข์ใจแล้วอยากได้ลูกเนี่ยยังไม่ทันได้ลูกก็ทุกข์ใจแล้วพอไม่ได้สถทีอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เรามองไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์กันถ้าเราไม่มีความอยากได้ลูกเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่พอก็อยากได้ลูกขึ้นมามันก็ทาให้เกิดความ กัวนก็วายเอเมื่อไหร่จะได้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เราจะทำอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วสมมติว่าถ้าได้มาแล้วเกิดลูกเป็นอะไรไปก็เสียใจหรือไม่เป็นอะไรก็ต้องเลี้ยงดูก็ก็วุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูลูกอีกต้องขวง่วงต้องกังวน อยู่ตลอดเวลามีภัยต่างๆร้อยรอบด้านที่จะมาเอาชีวิตของคนเราได้ทุกเวลาภัยธรรมชาติภัยจากโรคภัยไข้เจ็บภัยจากมิจฉาชีพภัยจากอุบัติเหตุแล้วภัยจากความจากธรรมชาติคือธรรมดาของชีวิตร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเจอ ภัคือความแก่ไัคือความเจ็บไข้ได้ป่วยไัยคือความตายเราไปหาความทุกข์กันเองหาความทุกข์ด้วยการไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาเป็นสมบัติของเราแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องท่าทากจากทุกสิ่งทุกอย่างไป เวลาพลาดจากกันก็เสีย อ, อกเสียใจทุกทรมานใจเพราะเราไม่ได้รู้จักวิธีหาความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะไม่ต้องเจอกับความกังวลวิตกความห่วงใยความเสียใจความวุ่นวายใจต่างๆ เรารู้จักหยุดความอยากหยุดใจหยุดคิดทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขมากในความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆแล้วก็จะไม่จากเราไปเพราะถ้าเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ความสุขที่ถาวรที่เป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บหรือจะตายใจของเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลย ถ้าเรามีความสงบของใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะอยากกันถ้าอยากจะได้ความสุขขอให้มาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าสอนดีกว่าอย่าไปอยากได้ลูกเลยอยากได้ความสงบดีกว่าไปอยู่วัดหัดไปอยู่วัดไปถือศีลแปด การที่จะทำใจให้สงบได้ต้องหยุดความอยากทางร่างกายหยุดการหาความสุขทางร่างกายสิ่งแปมีไว้สำหรับช่วยเราให้หยุดการหาความสุขทางร่างกายเช่นสิ่งก็3ก็สิ่งพรห ม, รมจรรย์อภรรมจรรย์คือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพราะความสุขแบบนี้มันทุกข์ เวลาไม่มีแฟนหรือแฟนไม่อยู่หรือแฟนจากเราไปก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวถ้าเราไม่หาความสุขแบบนี้ต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนตอนนี้เราติดกับการหาความสุขแบบนี้ติดกับการหาความสุขแบบอากการร่วมหลับนอนกับแฟนเวลาไม่มีแฟนก็จะทุกข์ขึ้นมาเพราะยังมีความอยากอ ย, กอยู่ ถ้าเราฝืนถือศีล8ศีลข้อสามนี้ได้ต่อไปเราก็จะฝืนความอยากได้ฝืนความอยากแล้วเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวแล้วเราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบมาฝึกสติจเจริญสติมานั่งสมาธิ ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วเราก็จะสามารถที่จะสร้างความสงบทางใจได้พอเรามีความสงบทางใจแล้วเราก็จะสุขไปตลอดอยู่คนเดียวสุขกับอยู่กับคนอื่นอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวดีไม่ดีก็ทะเลาะ ก, กันกเดี๋ยวก็มีความเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนี้คนหนึ่งอยากจะทำอย่างนั้น เดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาจากการอยู่ร่วมกันพอมีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่ตรงกันนี่คือวิธีที่เราหาความสุขแบบใหม่เราต้องเลิกหาความสุขแบบเก่าเช่นการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ถือศีลก็หกก็เกิดหยุดหาความสุขจากการรับประทานอาหาร ของอะไรต่างๆรับประทานได้แต่ให้รับประทานเพื่ออยู่รับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็รับประทานวันละครั้งก็พอเดี๋ก็อย่าไปรับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหยุดการหาความสุขจากการรับประทานอาหารมาหาความสุขจากการมานั่งสมาธิมาเจริญสติจะดีกว่า แล้วก็หยุดการหาความสุขจากทางตาหูจมูกร่านกายกับพวกมหรศพบันเทิงต่างๆ่าการไปเที่ยวที่ต่างๆไปดูไปฟังไปโรูปภาพยนตร์ไปโรงปละครไปดูข้าร้องําทําเพลงดูทีวีที่บ้านของพวกนี้เป็นความสุขทางตาหูจมูกร่างกายที่เป็นเหมือนยาเสพติด ที่ต้องดูต้องเสพอยู่เรื่อยเวลาไม่ได้ดูแล้วลรู้สึกหกรเกลียดน้ำขาดใจอันนี้เป็นโทษมีสุขแต่มันเป็นความสุขที่มีโทษเวลาที่ไม่ได้ดูเวลาอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากมันจะเป็นโทษขึ้นมาแล้วมันต้องมีวันที่เราไม่สามารถทำไม่ได้เช่นเวลาไม่สบายหรือเวลาแก่ตาหูจมูกไม่ค่อยดีแล้ว ก็จะไปหาความสุขทางร่างกายไม่ได้หรือสิ่งที่เราอยากดูไม่มีให้ดูหรืออยากฟังไม่มีให้เราฟังก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนเ้นเราอย่าไปหาความสุขแบบนี้กันให้เรามาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบกันถ้าเราไปดูไปฟังไปหาความสุขเหล่านี้เราก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิ เดี๋ยวถึงเวลาละครมาก็ต้องเปิดละครดูเดี๋ยวมีอะไรให้ดูก็ต้องดูเดี๋ยวมีงานให้ออกไปไปก็ต้องไปไปงานเลี้ยงที่นั่นไปงานเลี้ยงที่นี่ก็จะไม่มีเวลามาทำใจให้สงบแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะงดไปงานต่างๆ ง, งดการไปดูหมอรศบันเทิงต่างๆ แล้วการงดการต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งทำเเผาทำผมต้องไปหาซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาใส่ก็จะทำให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิาทำใจให้สงบแล้วข้อ8ข้อสุดท้ายก็ให้นอนพอประมาณอย่านอนมากเกินไป วิธีนอนไม่มากนอนพอให้ร่างกายได้พักผอ่อนก็คืออย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนที่มันสบายเพราะสบายมากเวลาร่างกายตื่นมาแล้วมันใจยังไม่อยากจะลุกใจก็ขอนอนต่ออีกี่ห้าชั่วโมงถ้านอนพักร่างกายนี้พักสักสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็เต็มอิ่มละพอละตื่นขึ้นมาละ ถ้านอนบนฟูกน้หน า, หนามันสบายก็ไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกสี่ชั่วโมงเอาเวลาที่มานั่งสมาธิไปกับการหลับนอนที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรสู้นอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่า นั่งสมาธิใจสงบแล้วได้ความสุขมากกว่าการนอนบนฟูกนั้นานา่ะได้ความสุขมากกว่าการดูหนังฟังเพลง<ม>ได้ความสุขมากกว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวสวมสวยความงามต่างๆได้ความสุขมากกว่าจากการรับประทานอาหารตามความอยากโดยไม่มีขอบเขตไม่มีเวลาได้ความสุขมากกว่าการได้ร่วมหลับนอนกับคนอื่น ความสงบนี่จะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขเหล่านี้เราต้องมีเวลามาทำถึงจะพบกับความสุขจะมีเวลาก็ต้องถือศีลแปดกันถ้าไม่ถือศีลแปดมันก็ไม่มีอะไรมาห้ามให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆคนที่อยากจะได้พบกับความสุขทางใจที่พพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นความสุขที่ไม่มีทุกข์ตามมา ก็ต้องมาถือศีนปดกันมาเป็นนักบวชกันจะบวชชั่วคราวก็ได้บวชถาวรก็ได้บวชชั่วคราวก็มาอยู่วัดเป็นพักๆไปอยู่ครั้งสมวันเจวันถือศีนแปแล้วก็มาฝึกจเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใจจะสงบไม่ฟุ้งซ่าน ให้อยู่กับบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยเรื่อเราก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้เรื่องอยากจะมีลูกมันก็คิดไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมลืมแล้วใจก็เบาสบายไม่มีอะไรมากดดันใจสิ่งที่กดดันใจก็เรื่องต่างๆที่เร า, เามาคิดเนื้อ คิดถึงคนนั้นเ็าอยากให้เรามีลูกคิดถึงคนนี้เขาอยากให้ม่มีลูกมันก็ทำให้มันมากดดันใจเรานะั่นแต่พอเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวเรื่องของคนต่างๆที่จะมากดดันเราก็หายไปหมดนะสิ่งที่มากดดันใจของเราไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอก อ, อยู่ที่ความคิดของเรานี่ยเราเรื่องที่เราไปรับรู้มาคิดอยู่เรื่อย คนนั้นเขาอยากจะให้เรามีลูกคนนี้ก็อยากจะให้เรามีลูกมันก็ทำให้ไม่เกิดความกดดันใจขึ้นมาเราสร้างความกดดันใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความคิดของเราเองแต่เรากลับไปคิดว่าคนนู้นคนนี้มากดดันเราถ้าเราไม่ไปคิดเสีอย่างมันจะมากดดันเราได้อย่างไรที่เราไม่รู้จักหยุดความคิดเหล่านี้มันเหมือนไฟไหม้ป่า พอมันเริ่มติดแล้วมันลามไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆเราถึงต้องเอาน้ําของพระพุทธเจ้ามาดับไฟน้ําของธรรมะมาดับไฟน้ําที่จะมาดับไฟเหล่านี้ได้ก็คือสติถ้าเรามีสติอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการทำงานของร่างกายหรือว่าร่างกายกําลังทําอะไรอยู่เล้าดูร่างกายไม่ให้ใจไปดูอย่างอื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่น ใจก็จะลืมเรื่องต่างๆที่เราไปรับรู้มาแล้วมันก็จะไม่สามารถเข้ามากดดันจิตใจของเราได้ใจของเราก็จะเย็นสบายแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาไม่ทำอะไรใจของเราก็จะสงบได้อย่างเต็มที่พอสงบแล้วก็จะมีความสุขความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีสามี เผื่อสามีเขาอยากจะไปมีแฟนใหม่เราก็จะไม่เสียใจรหรือเกิดเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่เดือดร้อนคนสมัยนี้ไม่รู้จักวิธีควบคุมใจพอเสียใจก็กระโดดติกตายกันฆ่าตัวตายกันเพราะมันทุกข์มากความทุกข์ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดจากความความอยากของใจ อยากจะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม Guys, แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วการไปแล้วหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแล้วแต่เรายังอยากจะให้มันเหมือนเดิมแล้วมันก็ไม่ได้มันก็เลยไมนรู้จะทำยังไงก็ตายดีกว่า<ห>อยู่ไปก็ไม่มีความสุขเพราะอาศัยสิ่งที่เสียไปเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเลยพอไม่มีสิ่งที่จะให้ความสุขแล้ว ก็อะไรไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยู่กับความทุกข์ก็ไม่อยากจะอยู่กันนะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราที่คอยอาศัยสิ่ ง, งต่างๆให้ความสุขกับเรานะพอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราจากเราไปเราจะเสียใจมากยังเรามาหาความสุขกับสิ่งที่ไม่จากเราไปไม่ดีกว่านะสิ่งที่อยู่คู่กับเราไปตลอดนะก็คือความสงบของใจเราเนี่ยนละ่ะ ถ้าเราอยากได้ความสงบของใจเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขมาถือศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกสติกันคอยให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับร่างกายดูว่าตอนนี้ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่ร่างกายกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดิน กำลังนั่งก็อยู่การนั่งกำลังรับประทานอาหารก็อยู่การรับประทานอาหารกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังอาบน้ำอาบท่ากำลังทำอะไรก็ให้ดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะแล้วเรื่องอื่นก็จะไม่เข้ามาในใจเราจะไม่มีอะไรมากดดันใจเราใจเราก็จะมีสติไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายและเร็ว ถ้าไม่มีสติเลยไม่ควบคุมใจไว้ก่อนแต่นั่งสมาธิเรื่องต่างๆที่เคยคิดมันก็จะเข้ามาอยู่เรื่อยๆพุทโธได้คำสองคำมันก็หายไปละแล้วก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามาหรือไม่เช่นนั้นดูลมหายใจก็ดูได้ตั๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อนั่งไปได้ไม่นานก็นั่งไม่ไหวละอึดอัดเพราะใจมันอยากจะลุกแล้วอยากจะไปทาอะไรต่างๆตามความคิด นคนที่นั่งสมาธิแล้วไม่สงบกันก็เพราะว่าไม่ฝึกสติไว้ก่อนไม่สร้างสติขึ้นมาก่อนไม่ควบคุมความคิดไว้ก่อนต้องสร้างสติต้องให้ใจมีกำลังที่จะจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวให้อยู่กับพุทธโธให้ได้หรือให้อยู่กับการดูร่างกายเฝ้าดูการกระทาของร่างกายให้ได้ท่าใจมันมีกาลังที่จะ จจอ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปได้นานๆเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ง่ายและสงบได้เร็วพอสงบแล้วบางทีร่างกายก็หายไปนั่งไปเป็นชั่วโมงได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเลยเพราะใจไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกายใจเข้าไปข้างในเวลาสงบนี้ใจจะทิ้งร่างกายทิ้งรูปเสียงกลิ่นรด ตัดการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกริางกายใจจะเข้าไปสู่ที่ตั้งของใจฐานของใจเรียกว่าสมาธิเป็นที่ตั้งของใจคือความสงบสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆแต่ไม่มีอะไรให้รับรู้อยู่กับความว่างใจว่างจากความคิดไม่มีความคิดแล้วก็ไม่มีอะไรให้รับรู้ ที่ใจเรารับนู้นนี่การลับรู้จากความคิดนี่ เ, เห็นอะไรแล้วก็มาคิดต่อได้ยินอะไรแล้วก็มาคิดต่อคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ดีใจเสียใจตามมาพอไ ม, ไม่ไม่คิดอารมณ์ดีใจเสียใจก็ไม่มีเหลือแต่ความว่างความว่างนี้เป็นความสุขของใจที่พวกเราเข้ากันไม่ถึงพวกเราถึงแต่ความดีใจเสียใจ ก็เวไปติดกับความดีใจแล้วก็ไปไปเบื่อกับความเสียใจเวลาดีใจก็อยากจะให้ดีใจไปนานๆเวลาเสียใจก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเวลาดีใจแล้วอยากจะให้มันดีใจไปนานใจก็ไม่สบายใจแล้วกลัวจะไม่กลัวจะไม่ดีใจไปเรื่อยๆเวลาเสียใจก็อยากจะให้มันหมดไปเร็วๆ มันก็ไม่หมดมันก็ยิ่งเสียใจขึ้นมาใหญ่เราไปติดอยู่ตรงนี้ยึดติดอยู่กับความดีใจเสียใจเวลาเสียใจก็พยายามหนีมันเวลาดีใจก็พยายามวิ่งไล่มันดึงมันไว้ไม่ให้มันจากเ้าไปแต่เดี๋ยวมันก็จากเราไปทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปดีใจขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเสียใจขนาดไหนมันก็ผ่านไป แต่เราไม่รู้จักทาใจให้เฉยๆกันเราก็เลยวุ่นไปกับการวิ่งตะคุกความดีใจวิ่งหนีความเสียใจ <c oughs> นี่คือความสุขของพวกเราความสุขที่เป็นความทุกข์โดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าเรามาได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างวันนี้เราจะได้รู้จักวิธีาหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสุขที่เกิดจากการอยู่คนเดียวคนที่หาความสุขกองใจนี้ต้องอยู่คนเดียวต้องไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจตามมาเราจะได้มีเวลามาทำใจให้สงบได้อย่างตลอดเวลา พอสงบแล้วก็จะไม่ต้องการได้อะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องการมีลูกไม่ต้องการมีสามีไม่ต้องการมีภรรยาไม่ต้องการมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองของวุติยกายเป็นภาระไปหมดแทนที่จะเป็นของดีกับมองเห็นว่าเป็นภาระมีก็ต้องดูแลรักษาสู้ไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีแต่ไม่ความสุข ดีกว่าอยู่แบบมีแล้วมีความทุกข์ทุกจากของที่เรามีนั่นแหละทุกไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกทุกเกิดจากสิ่งที่เรามีอยู่มีเงินทองก็ต้องทุกข์กับเงินทองมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาถ้าไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ ถ้าเราอยากไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนนั้นท่านก็เคยอยู่แบบพวกเราท่านก็อยู่แบบมีความทุกข์ท่านก็มีสมบัติมีบริสุทิ์มีบริวารมีอะไรต่างๆมาให้ความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ตามมาท่านก็เลยเบื่อเพราะท่านเห็นว่า ต่อไปก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียของต่างๆที่เรามีอยู่ไปหมดก็เลยรู้ว่าจะต้องเจอความทุกข์ก็เลยไปหาวิธีที่ไม่ต้องเจอความทุกข์ดีกว่าก็ได้ไปศึกษากับผู้ที่หาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือการทาใจให้สงบมันก็เลยสละราชสมบัติ ไม่อยากจะมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆก็เลยทิ้งหมดเลยแล้วก็ไปอยู่ไปฝึกหัดทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็สบายแต่ท่วงช่วงที่ยังไม่สงบนี้ก็จะทุกข์มากเพราะเวลาอยากแล้วมันไม่ได้ทำตามความอยากนี่มันจะทุกข์มากถ้าจิตใจไม่เข็งแข็ ง, ขงพอก็อาจจะสู้ความอยากไม่ไหวก็อาจจะกลับไปหาสมบัติต่อไปก็ได้ เป็นคนมาบวชแล้วศึกไปแลสู้ความอยากไม่ไหวบวชได้สักพักหนึ่งแล้วความอยากมีแฟนมีครอบครัวมันก็ทําให้ต้องสิข้าลาเพศไปแต่ถ้าสู้ได้ถ้ามีสติอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะสู้ได้ก็จะฝืนความอยากชนะความอยากได้ก็จะบวชไปได้เรื่อยๆบวชแล้วก็มีความสุขอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องอะไรเพราะไม่มีอะไรจะให้ทุกข์ไม่มีอะไรจะให้วุ่นวายแม้แต่ร่างกายก็ปล่อยวางได้ร่างกายก็ถือว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราดูร่างกายของเราเหมือนกันเราดูร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี่เราจะไม่ทุกข์เลย เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายนี้เราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายของเราเราก็ต้องอย่าไปถือว่ามันเป็นมั่งเป็นของเราถือว่ามันเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปร่างกายไปเผาก็เหลอแต่ดินเนี่ยไฟก็หายไปน้ำก็หายไปลมก็หายไป นี่คือการหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตอนนี้พวกเราหาความสุขแบบมนความทุกข์กันยังต้องเจอทุกข์อีกหลายรอบเดี๋ยวคนนั้นจากเราไปคนนี้จากเราไปเดี๋ยวสิ่งนั้นจากเราไปสิ่งนี้จากเราไปเดี๋ยวอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์เอ็นมา หยุดความอยากกันอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรเรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันใจสงบแล้วก็จะมีความสุขจะไม่มีใครสามารถจะมากดดันเราได้เขาจะพูดปากเปรียกปากฉี่ก็เรื่องของเขาเราทําเป็นหูทวนลมได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราไม่ต้านไม่ได้พึ่งอะไรไม่ต้องการอะไรจากเขา เขาจะไม่ให้อย okay, ู่กับเรากับเขาเราก็ได้ไปอยู่คนเดียวก็ได้เขาจะไม่ให้อะไรเราก็ได้เราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราไม่ต้องการอะไรจากใครเนื่เพราะสิ่งที่เขาให้เราก็สู้ของที่เรามีอยู่ไม่ได้สู้ความสงบไม่ได้เัราั้เขาให้เราเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่ได้สู้ความสงบไม่ได้ความสงบให้ความสุขมากกว่าเงินร้ยล้านพันล้าน ถ้าเราก็จะไม่มีใครมากดดันเราได้เราจะเป็นอิสระนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงบางวันนี้เราคงจะเริ่มอยากมีลูกวนะ่ะมีก็ได้ไม่หีก็ได้มีใครอยากจะถามอะไรอยู่ไหมปัญหาที่อาการอาจารย์เนี่ยทั้งน่ะทั้งนองเนี่ยปัญหาแบบนี้เลยก็ ม, มานแล้วไม่มี ตั้งใจไม่มีค่ะอันนี้ตั้งใจไม่มีค่ะเพราะว่าแก่แล้วอยากมีบุญปฏิบัติธรรมบ้างค่ะแก่แล้วอยากจะมีบุญไม่ค่ะอยากไปปฏิบัติธรรมบ้างค่ะไม่รู้จะมีวาสนาหรือเปล่าค่ะมีมาที่นี่ก็ถือว่ามีวาสนาแล้วพ่อแม่ก็อยากให้มีแต่ตัวเองไม่อยากมีค่ะก็ดี อันนี้ฟังแล้วพ่อแม่อาจจะไม่ไม่อยากให้มีก็ได้นะไม่รู้จะจริงหรือเปล่ามีพ่อกับแม่ก็อยากให้มีพูดตลอดแตนี้ไม่อยากมีเลยค่ะทั้งคู่ไม่อยากมีก็ดีแล้วะไม่มีนะดีมีแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกถามใครคนที่มีลูกแล้วไม่ทุกข์ไหม แม่ลูกก็ต้องทุกข์กับลูกใช่ค่ะตอนนี้กำลังทุกข์ใจมากค่ะ <c oughs> ลูกออายุสิบสี่ค่ ะ, 64, ะลูกชายนะคะากาลังดื้อมากช่ว ง, วงเรื่องโผล่เรื่องโผล่ต่อช่วงที่เขาจะเป็นตัวเขาเองก่อนหน้านั้นเขายัง็กยังเด็กอยู่เขาก็ยังเชื่อฟังเราอยู่เพราะเขายังทําอะไรเองไม่ได้ แต่พอเขาเริ่มจะทำอะไรเองได้นะเขาก็อยากจะเป็นตัวตนของเขาเองเขาก็อยากจะไปทำตามความอยากของเขาทีนี้เขาไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกดีชัว่วคือปัญหาเขามักอากจะไปทำในสิ่งที่เป็นโทษกับเขามันก็เลยทำให้เราทุกข์ไปกับเขาเราก็ต้องควบคุมบังคับเขาไว้ตอนนีน้เราต้องเข้มแข็งเราต้องอย่าไปอ่อน ตามเขาสิ่งไหนที่เขาอยากจะทำแล้วมันผิดก็อย่าให้เขาทำไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะโกรธเกลียดเราเขาอาจจะโกรธเกลียดเราตอนตอนนี้แต่พอเขาโตแล้วเขาก็จะเขาก็จะรู้เองเขาก็จะรู้ว่าเราทำด้วยความรักทำด้วยความเมตตาห้ามเขาด้วยความรักด้วยความเมตตาเพราะถ้าไม่ห้ามาเดี๋ยวเขาเสียคนได้ แล้วถ้าเขากำลังเริ่มที่จะก้าวเล้านะคะก็อย่าไปถือสามันถือเป็นธรรมชาติของคนที่เวลาไม่ได้ดังใจอ ย, ยากก็จะโกรธโกรธแล้วก็จะแสดงอาการก้าวรล้าต่างๆขึ้นมาเราอย่าไปถือสาแล้วเราจะได้ไม่เสียใจเพราะว่าเขากำลังเมาเวลาไม่ได้อะไรแล้วมันจะเหมือนคนเมามันจะพาน มันจะลืมบุญลืมคุณลืมอะไรต่างๆไปหมดก็เท่าว่าเป็นความเมาชั่วข้าวก็แล้วกันแล้วเดียวมันก็หายไปหรือถ้าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นล้วก็อย่าไปเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเป็นสันดานของเขาไปนะก็เป็นความทุกขนี่แหละที่กรดจากการที่เราไปมีลูกกันนะ เพราะลูกที่เราได้นี้เขาไม่ได้มาจากเราเขามาที่มาจากเราก็เป็นเพียงร่างกายแต่ใจเขาไม่ได้มาจากเราใจเขาก็เป็นคนที่ตายไปแล้วแล้วกำลังหาร่างกายใหม่อยู่พอเราตั้งท้องเขาก็เลยมามาครอบคร อ, องท้องที่เราตั้งอยู่นี้ mm hmm. เด็กที่อยู่ในทอนน้องนี้ร่างกายที่เราตั้งขึ้นมานี้แต่นิสัยใจคอเขาไม่ได้มาจากเรา นิสัยใจคอเป็นของเดิมของเขาทั้งหมดเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีมันก็มันก็ติดมากับเขาเป็นคนก้าวล้วหรือเป็นคนกระตันอยู่นี่เขาก็มันติดมากับเขาสิ่งที่เราทาได้ก็เพียงแต่คอยสอนคอยบอกเขาเท่านั้นเองว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีแต่ถ้านิสัยสันดานเขามันมันรายกาศมันแรงกว่าสิ่งที่เราสอน ก็อาจจะไม่มีผลมากนะเราก็ต้องทำใจถ้าเราเตรียมตัวใจแล้วเราจะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปหวังให้เขาดีให้เขาเป็นคนมีความกตัญญูมีคำมารคารวะไม่ก้าวแล้วเราก็จะเสียใจคือเราต้องมองเขาว่าเป็นเหมือนกับผ ล, ลไม้ คนเหล่านี้มีความแตกต่างกันเหมือนกับผลไม้ที่แตกต่างกันคนดีคนไม่ดีคนก้าวแล้วคนไม่ก้าวแล้วคนมีความกัดตันอยู่ไม่มีความกัดตันอยู่คนมีความเคารพไม่มีความเคารพนีมันเป็นนิสัยสันดานของแต่ละคนที่ติดตัวมาก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นผลไม้ชนิดต่างๆบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะละกอเป็นสับปะรดนีง เราได้ได้เราก็ต้องก็ต้องยินดีกับมันได้กล้วยแล้วแต่ไปอยากให้มันเป็นส้มเราก็จะเสียใจถ้าได้คนก้าวแล้วมาแล้วเรายากจะไปได้คนที่มีสัมมาคารวะเราก็จะเสียใจเห็นเราได้อะไรมาเราก็ต้องทำใจว่าเหมือยกับเราไปจับฉลากเวลามีลูกนี่ก็เหมือนจับฉลาก ไม่รู้ว่าจะได้ลูกดีหรือลูกไม่ดีจะได้คนดีหรือคนไม่ดีก็ไม่รู้จับมาแล้วก็ต้องต้องยอมรับกับชลาที่เราจับมาก็ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจแล้วเราก็จะพยายาม เ, าเลี้ยงดูเขาไปตามหน้าที่ ตัวเขาจะดีแล้วไม่ดีก็อยู่ที่นิสัยสันดานของเขาเราก็ให้สิ่งสอนในสิ่งที่ดีกับเขาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพาไปโรงเรียนพาไปวัดไปฟังเทศังธทามไปศึกษาธรรมะไปทําบุญถ้าเขาชอบเข้ามาทางนี้ก็ดีไปถ้าเขาไม่ชอบเขาอยากจะไปกินเหล้าเมาย า, ยาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ ก็ต้องรู้จักทำใจด้วยรู้จักสอนเขาด้วยเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปส่วนเขาจะทำตามได้หรือไม่ได้นี่เราก็ต้องทำใจม่เฉะนั้นเราก็จะเสียใจแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็จะต้องทำตามที่เขาอยากจะทำนั่นแหละเราก็มีทางหนึ่งก็คืออยาไปส่งเสริมคืออยาไปให้เงินเขามาก เพราะเงินนี่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปทำความดีก็ได้ทำความชั่วก็ได้ให้เงินไปมากๆก็เอาไปเที่ยวกันก็ได้เอาไปซื้อยาเสพติดก็ได้เอาไปซื้อสุรายาเมาซื้อบุหรี่ซื้อของเล่นอะไรต่างๆก็ได้ให้ให้พอประมาณให้เขามีกินมีใช้มีไปโรงเรียนนี้แต่อย่าให้มีมากๆถ้าก็อยากจะมีมากให้ก็ไปหาเอง าซื้อของแน่นซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็นให้เขาไปหาเองเรามีหน้าที่เลี้ยงดูให้เขาจเจริญเติบโตแล้วมีวิชาความรู้จากการไปเริ่มเรียนหนังสือเราไม่มีหน้าที่จะต้องมอบมรดกให้กับเขาถ้าให้มรดกเขาแล้วทำให้เขาเสียหายให้ไปทำไมถ้าให้แล้วทำให้เขาดีก็ก็ควรจะให้ แต่ให้แล้วก็เอาเงินทองไปใช้ทำทาร้ายตัวเขาเองอันนี้ก็อย่าไปให้ดีกว่าเอาไปทำบุญดีกว่าเพราะเราก็ยังต้องไปเกิดต่อไปข้างหน้าถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะไม่มีอะไรเพเราเวลามีความอยากมันจะถูกความหลงหลอกให้คิดแต่ด้านดีอย่างเดียว ก็ได้มาแล้วจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มองด้านด้านลบว่ามันจะต้องมีมีเรื่องมีราวมีปัญหามีอะไรต่างๆตามมาพอเราไม่คิดรอบครอบคิดล้าคิดด้านเดียวถึงจะต้องมาเสียใจในภายหลังคนฉลาดมักจะเห็นเห็นเห็นเห็ น, ห น, ห น, หนลูกหน้าก่อนเห็นทั้งสองด้าน เห็นท kind of like ั้งด้านบวกเห็นทั้งด้านลบก็ะไรไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวนี่กว่ามีอะไรัหมพอจะทำใจได้ัหยค่ะก็ถึงได้ตัดสินใจมาปฏิบัติธรรมนะคะเออเราต้ามาฝึกทำใจเราพอเราทำใจได้แล้วเขาจะดีเขาจะชั่วเราก็รับได้ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามันสุดวิสัยนะเราไปทำให้เขาดีไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงเมื่อเขาไม่ยอมดีเราก็ต้องทำใจเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาแลวเราก็จะไม่โกรธไม่เสียใจเราก็จะถือว่าเป็นกรรมของเขาไปมีอะไรจะถามอีกไหม ขอขายครับพระอาจารย์ผมฟังที่ยูคเกี่ยนคำของประชาชนตังปีห้าสองครับผมอแล้วผมก็มันตาท่านบอกว่าเกียเก่ยนละพรผมก็เกี่ยนละพรกวนน้ำให้คุณบิดามารดาแล้วท่านนิพพานไปปีอาศัยครับแล้วผมไปทำเหมือนเดิมจะได้ไหครับผมได้ทำได้การการกวนน้านี้ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระสองฆ์องเจ้าอยู่ที่บุญเราทําำ เราทําบุญนี่เร า, เราอุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้อั้นก็ดีก็จะจะให้พรแล้วนะเพื่อยคงกาลังจะรออุทิศบุญพอดีใครต้องการหนังสือสีดีก็ไปได้นะมีหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวห <c oughs> ลวงตาเป็นคนเขียนอ่าน <c oughs> ประวัติกูบาจารย์แล้วเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ดี <c oughs> แล้วเราจะได้ <c oughs> อ ทำตัวให้เหมือนครูบาอาจารย์อย่างน้อยให้ได้สังนิดหน่อยก็ยังดีแตะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงสุขทุกข์อยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากไม่มีน้อยคนยิ่งมีน้อยยิ่งกลับมีความสุขมากคนยิ่งมีมากกลับยิ่งมีความทุกข์มากคนที่มีความสุขเต็มร้อยนี่ไม่มีอะไรเลย เราพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นี้ท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยตายไปไม่ต้องเข็นพินัยกรรมไม่ต้องยอ่หมอบมาเราดกให้กับใครมีใครอยากจะถามอะไรไหมทางนู้นมาจากที่ไหนมาจากรุงเทพหรออยู่พัทยานี่เพิ่งมาข้างหน้าเหรอมาไหวจากป ก, กติจะมาเสารอาทิตย์ค่ะ อันธรรมดาคนน้อยหน่อยอยานี้คนรู้จักเยอะขึ้นเพราะเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี้มีการถ่ายทอดสดทุกวันนะผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook คนอยู่ต่างประเทศก็ติดตามกันเมื่านนี้เขียนมาจากหลายที่เนะอัะงเศษ อยาโยมตอนนี้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ถ้าอยากจะฟังเทศทางทามติดตามสดก็ทุกบนันก็วันบ่ายสองโมงเปิด u b e เข้าไปก็ได้ Facebook ก็ได้ Facebook พระอาจารย์สุชาติ y o u ูทูปพระสุชาติไลฟ์ภาษาอังกฤษเสิร์ชเข้าไปก็สามารถที่จะติดตามดูได้มันกลับมาที่นี่เลยต่างตรงที่บรรยากาศ บรรยากาศที่บ้านอาจจะไม่สงบเหมือนที่นี่คนบางคนก็บอกว่าเขาติดตามที่บ้านก็สู้มาที่นี่ไม่ได้ที่นี่ความสงบมันมีมากกว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากกว่าอยู่ที่บ้านการฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้ลดดีอัธรสก็ต้องมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่มีความสงบไม่มีของอะไรที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาไม่มีพัดลมไม่มีอะไรต่าง มีแต่เสียงลมพัดธรรมชาติมีกิ่งไม้ต้นไม้ใบหญ้าไม่มีการปุงแต่งเหมือนเดิมธรรมชาติถ้ายาญยถาญาโยไม่มีอะไรถามจะให้ทางบ้านที่เขาอยากจะถามถามเข้ามานะญาญโยจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้นะแล้วก็จะ งคุยกันต่อไปถึง4โมงนั่นนะถึงจะจบะถ้าใครอยากจะไปก็ไม่ไม่เสียมารยาทนะถือว่าไปได้หรือใครเพิ่งเข้ามาอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาถวายได้นะให้เขาใเขเข้ามาถวายข้าวของก่อนก็ได้ เออขอให้ไม่หายทุกจากการถูกกดดันนะวันนี้ได้ดอะไรมาเยอะเลยค่ะใจไหมเข้าใ จ, ขใจไหมไม่เข้าใจค่ะใช่ไอยากมีเยอะเข้าใ จ, ใจแต่อยากมีเ อ, อ, อสมัยนี้มันไม่เลียงเราหรอกมันแต่เราต้องเรี้ยงมันจนเลยค่ะ ถาราเลี้ยงมันได้ถ้ามันเราจะลิ้ยงเราไม่ได้มาเยอะนะหวันนี้ไปโรงเรียนไหมไม่ไปเลยยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะสิบกวบสามขวบตอนนี้กําลังน่ารนะักใครๆก็อยากเห็นแบบนี้ก็อยากจะได้ลูกกันเดี๋ยวพอสิบสี่สิบห้าอีก็ร้องไห้แล้ว น, ลลน้ำตาตกแนละ้วบอกยังไงก็ไม่ฟังนะตอนนี้ฟัง อันนี้เชื่อฟังอย่างนี้นะครับมันเป็นกรรมของแม่ของลูกครับทำไถ้าลูกไม่ดีนะะี่ครับอ๋อไม่หรอกเป็นกรรมของลูกเป็นกรรมของลูกนะครับ<ห>แต่ละคนทาบุญทากรรมของเขามาเองไม่ได้เกี่ยวกับิามาได ไ, ไม่ได้เกี่ยวกนะันดืดทุกคน่ะถ้าไม่เืดก็ไม่ใช่เป็นคนอะไร หนูมีญาติเป็นคุณล้าเนี่ยค่ะ<ม>ก็มีลูกอายุน่าจะชว่วงสิบสี่สิบห้านี่เหมือนกั น, นะคะ่ะก็เลื่อยจนเขาขั้นเลวไายกับพ่อแม่ตีพ่อแม่ด้วยอย่างนี้ค่ะนั่นแหละแล้วก็พ่อแม่ก็ปแม่ก็ไปคนดีไปทำบุญด้วยกันตลอดเลยนะคะแต่ว่าลูกไม่ดีเลยค่ะ เขาก็ทุกข์ใจมากค่ะอาจจะเป็นทางกรรมของแม่ของลูกด้วยแมพราะแม่ในอดีตชาติก็เคยไปก้าวล้าพ่อแม่มาก่อนเขาตั้งด่ายคําหยาบใครแล้วก็หนีออกจากบ้านพ่อแม่ต้องคือบางทีมันมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นตํารวจอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะหนูไม่รู้จะปลอบใจเขายังไงค่ะก็ทําใจนละอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นลูกของเราทั้งหมดคิดว่าคนแอบก็มาอยู่ในท้องเราเราไม่ได้ เอามาขอสายทองเราอยู่ฝ่ายแม่เป็นคนทำมัมโมครับทำบุญทําบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับหลวงตามาตลอดแต่ว่าลูกไม่ดีเฉยครับก็เป็นกรรมของลูกที่เขาไม่ดีกรรมของแม่ที่ได้ลูกไม่ดีมาชาติก่อนอาจจะเคยไปทํากรรมกับพ่อแม่มาก่อนก็ได้มันก็เลยต้องมาใช้กรรมกันไปเขาก็ทุกข์ใจมากเขาบอกว่าเป็นลูกให้ให้ทํำยังไงเขาก็รับจริงไม่ได้เนี้ยค่ะ ไม่ได้ก็ทําใจเฉยๆก็แล้วกันอย่าไปอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นยังไงก็ปล่อยให้ก็เป็นไปเดีย๋ยวว่าเป็นบุญ <Okay. S 1> เ, เ, เป็นกรรมไปไม่รู้จะมีว่าสถาหรนี่นี่เนี่ยก น, น, นี่เริ <c oughs> ่มมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็มาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ถือศีลแปดได้เองไม่ไม่ยากเราอยู่ที่ใจเราถ้าเราอยากจะทําอะไรแล้วทําได้ มันต้องเริ่มจากความอยากที่ฉันทะความยินดีความอยากจะทําสิ่งที่ดีควมมีฉันทะแล้วเดี๋ยวมันก็มีการความเพียรตามมาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆแล้วจะมีกําลังใจ อ, อาจารย์คะผลบุญที่พ่อแม่ทำเนี่ยส่งถึงลูกไะอ๋อบุญนี่ของใครของเหมือนทุกคนต้องทํากันเองถ้าอยากจะให้ลูกบุญก็พาลูกมาทำบุญ ด, ด้วยกัน ตอนนี้เราก็สอนเข้าไปก่อนพอเขาโตแล้วเขามีเงินทองของเขาเองเขาก็ทำของเขาเองเมอได้ปกติแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มตั้งร้องเขานะคะก็เป็นพอดีครอบครัวนะคะเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวมาตลอดเลยค่ะก็พาเขาไปกราบท่านมาตลอดอก็ก็ยังเป็นอย่างนี้เลยนะคะใช่มันไม่ได้เกี่ยวเับเพะะนัเขาาอยู่ในท้องเขาไม่เรื่องเรื่งลูกาอะไรหรอ ตอนนึ่งเด็กพาไปกับเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแย่ตอนนี้ถ้ามาถ้าเขายังเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมอยู่เขาก็จะมีอะไรคอยคอยเตือนใจเขาคอยสอนเขาให้เขาหักข้ามความจริงเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะแต่พอเราไปขัดใจเขาเข้าเขาก็เลยโกรธเราเห็นเราต้องลดลดลดการต่อสู้กับเขาลงให้น้อยนงพูดให้น้อยเฉยเฉยอย่าไปบ่นอย่าไปว่าเขามาก ส่วนนึงก็เป็นเหตุเราไปกระตุ้นความโกรธเขาเองเราเฉยๆวันนี้เขาอยากจะทําอะไรเราไม่ให้เขาทำแล้วก็เฉยๆบอกไม่คําเดียวก็จบไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดต่อร่อต่อเทียงกันให้มันยาวเหยียดไปเราเฉยๆแต่เรายืนหยัดบนความถูกต้องไม่ก็ไม่คําเดียวไม่เขาจะฝืนไปทําเองจะไป ติดุกติดตารางก็ปล่อยเขาไปติดคูกติดตารางเข้าไปเขาจะได้รู้จะได้เรียนรู้ว่าการกระทาที่ไม่ดีผลมันเป็นยังไงคือมันต้องลองอมันถึงจะรู้ไปบอกว่าอย่าไปแตะนะ้ำไฟมันร้อนเนี่ยเด็กมันไม่เชื่อต้องให้มันแตะ ห, หนึ่งอพอไปแตะไฟเข้าหมงเดียวมันก็เข็ดเองอพยายามเผชิญหน้ากันให้น้อย แต่ก็พูดพูดตามความเป็นจริงบอกเขาให้รู้ผิดถูกดีชั่วทําได้ทำอะไรทําได้ทําไม่ได้ก็บอกเขาเท่านั้นเขาจะโกรธไม่พอใจก็เรื่องของเขาแถ้าไปพูดมากเดี๋ยวมันลามไปเป็นไฟขึ้นมาเถียงกันไปเถียงกันมาอย่าไม่เถียงเขาจะเถียงเราก็อย่าไปถือสาเขาเหมือนเป็นเป็นนิสัยสันดานเขาที่เขาเออ ตับตัวเข้ามาเขายับยังไม่ได้หยุดไม่ได้เป็นไงทางบ้านมีคำถามเยอะไหมเยอะเวลามีเมท่าที่มีแล้วคำถามจาก YouTube ลูกเห็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์เวลาเกิดความทุกข์ลูกภาวนาเลยไม่สงบ ลูกต้องพิจารณาก่อนคิดว่าทุกคนหรือแม้แต่เราก็ต้องตายกันหมดสมบัติก็ใช้แค่ตอนที่ยังไม่ตายจิตลูกถึงจะรวมค่ะลูกทำผิดขั้นตอนหรือเปล่าคะถูกแล้วแหละเราบางทีใจมันฟุ้งมากมันไม่ยอมมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธเราก็ต้องใช้ปัญญาเรียงปัญญาอบรมสมาธิปัญญาทาให้ใจใหายฟุ้งก่อน พอหายฟุ้งแล้วเราก็มาพุโทโธมานั่งสมาธิต่อได้คิดถึงความตายเนี่ยจะช่วยได้เยอะมันจะทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปโยมลองคิดถึงความตายบ้างหนว่าเดี๋ยวเรากับลูกก็ต้องจากกันละเขาก็ต้องไปทางเราก็ต้องไปทางอยู่อยู่ด้วยกันแล้วอยู่อยู่กันแบบมีความสุขไม่ดีกว่าการอยู่แบบมีความสุขก็ต่างคนต่างอยู่ปล่อยวาง อยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องรับผิดชอบเองรับโทษเองอเพราะว่าเวลาติดคุกเขาต้องติดเองพ่อแม่ไปติดแทนเขาไม่ได้ข้อต่อไปหมดแล้วเหรอยังครับแล้ว <laughs> รําับคำถามจากทาง YouTube Live นะครับ จากคุณภาคีเครือข่ายกศนนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสไปปฏิบัติตามวัดหรือกับครูบาอาจารย์แต่ได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ขณะทางานและฝึกปฏิบัติอยู่ที่บ้านทุกวันพยายามระวังสติขอคำแนะนำจากท่านพระอาจารย์ค่ะก็ดีถ้าปฏิบัติที่บ้านได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเดินทางมันจะได้สะดวกได้ปฏิบัติได้รวดเร็ว เพราะถ้าเราบูชา จ, จะไปปฏิบัติที่วัด น, นี้มันต้องจองที่พักต้องเดินทางต้องหาวันเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านได้นี่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันแต่มันก็อจจะมีอยู่ถึงขีดหนึ่งที่ว่าการปฏิบัติที่บ้านนี้มันจะเต็มตัวเต็มเต็มอิ่มมันจะไปได้ไม่มากไปกว่านั้นแล้วก็อยากจะไปปฏิบัติที่วัดที่เงียบกว่าที่สงบกว่า ตอนต้นก็เหมือนกับปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้ใหม่ๆแล้วก็ปลูกในกระถางปลูกกระถางนี่ก็ดูแล ง, ง่ายรดน้ำง่ายต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วแต่พอมันโตเต็มที่แล้วกระถางมันเล็กเกินไปแล้วเนี่ยมันจะโตไปกว่านั้นไม่ได้ก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องย้ายต้นไม้ลงไปในในดินละต้องไปหาที่ดินที่ปลูกต้นไม้ให้มันจะได้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ การเริ่มต้นปฏิบัติก็เป็นช่วงที่เราเอาต้นไม้ใส่กระถางดูแลรักษาง่ายกว่าแต่พอมันเต็มที่แล้วมันโตเต็มที่แล้วจะโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วโลกกระถางมันดินในกระถางหายไปหมดแล้วเหลือแต่รากตอนนั้นก็ต้องย้ายต้นไปลงดินลงในที่ที่เป็นดินนอกกระถางแล้วก็จะ จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปต่อไปได้ถ้าเราปฏิบัติถึงขีดนึงเราจะรู้ว่ารู้สึกว่าปฏิบัติได้เพียงเท่านี้จะคพิ่ม้ากว่านี้ไม่ได้ที่บ้านเราก็ต้องไปที่วัดหรือไปที่ที่ที่ทสงบที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้มากกว่านี้เข้มข้นกว่านี้แลาได้ผลมากกว่านี้คำถามจากคุณนเรศ น, นะครับ ขอถามคำถา ม, ถามเรื่องการมีบุตรสองคนต้องให้การศึกษาที่เท่าเทียมกันทั้งสองคนด้วยกําลังเงินที่เท่ากันเป็นการถูกต้องใช่ไหมครับคือเราก็สนับสนุนเท่ากันแต่เขาจะไปใกล้ไกลกับการนี้มันเป็นอยู่ที่ความสามารถของเขาเช่นคนหนึ่งเรียนได้แค่ม .6 แล้วก็ไม่เรียนต่ออีกคนนึงเรียนต่อไปจบเป็นยาตีโทเอก อย่างนี้ก็ถือว่าสนับสนุนเท่ากันแต่ผู้ที่รับการสนับสนุนนี้ไม่สามารถรับการสนับสนุนอีกจากเราได้เขารับได้แค่ระดับม .6 อย่างนี้จะว่าไม่เท่ากันก็ไม่ได้เพราะเรายินดีที่จะสนับสนุนทั้งสองคนให้เรียนไปถึงบริญญาเอกนีแต่ถ้าเขาไปไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้คำ ถ, ถามจาก YouTube คําถามจากคุณพ p พี เราควรจะพิจารณาอย่างไรเพื่อไม่ให้หลงในคำชมเช่นชมว่าสวยเป็นต้นหรือหลงในชื่อเสียงคะก็ต้องคิดว่าคำชมมันก็มีมเสื่อมได้วันนี้เขาชอบใจเราเราเขาก็ชมเราเดี๋ยววันข้างหน้าเกิดขัดใจกันเขาก็จะด่าเราได้เอ็นก็เราต้องอย่าไปอย่าไปยึดติดกับคำชมให้มองว่าคำชมก็เป็นแค่คำพูดเป็นเสียงเท่านั้นเอง จ, จริงแล้วไม่จริงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคําชมที่เขาชมเป็นเรื่องจริงต่อไปเขาไม่ชมเราเราก็ยังเราก็ยังดีอยู่เพราะความดีของเราไม่ได้อยู่ที่เขาชมหรือไม่ชมดังนั้นเราต้องดูความจริงอย่าไปดูที่คําชมหรือคาําด่าถ้าเราไปดูแต่คําชมทั้งๆที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยพอเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเสียใจได้ ฉันให้ให้พิจารณาหลายด้านหนึ่งความชมนี้ก็ไม่เที่ยงมีชมได้ก็เดี๋ยวก็มีด่าได้เวลาชอบใจกันก็ชมกันเวลาโกรธ ก, กันก็ด่ากันฉันให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงไหลไม่ไปยึดติดกับคํามชม2งให้มองความจริงเขาชมเราสวยเราสวยจริงหรือเปล่าเขาชมว่าเราดีเราดีจริงหรือเปล่าถ้าเราสวยจริงเราดีจริงเดี๋ยววนันหลังเขาไม่ชมเรา เราก็ยังสวยอยู่เราก็ยังดีอยู่หรือเขาด่าเราเราก็ยังดีอยู่เราก็ยังสวยอยู่นั้นให้ดูที่ความจริงแล้วเราจะไม่สะเทือนกับคำชมหรือคำด่าของผู้อื่นแต่เราจะไม่ยอมดูความจริงกันเราชอบหลงไหลไปตามคำชม <c oughs> ก็ว่าเราสวยทั้งๆ ท, ที่หน้าตาเราเป็นเหมือนแพะเหมือนแกะเราก็ดีใจไปกับคำชมของเขา ตอเขาด่าเราเป็นแพะเป็นแกะเราก็เสียใจดังนั้นให้ดูความจริงแล้วให้ดูความไม่เที่ยงแท้ของคําชมและของคําด่าบางทีคําชมคําด่านี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงแล้วบางทีคําชมนี้ก็กลายเป็นคําด่าได้คําด่าก็กลายเป็นคําชมได้ดังั้นอย่าไปยึดไปติดกับมันให้รับรู้เฉยๆแล้วปล่อยวาง คำถามจากคุณจารุวรรณนะครับขอทราบวิธีการเอาชนะความกลัวค่ะปัจจุบันยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ความกลัวก็ยังไม่หายไปตัวอย่างเช่นมีพระห้อยคออยู่แต่เวลาเดินไปที่มืดก็ยังรู้สึกกลัวทั้งที่สมองส่วนหนึ่งก็บอกตัวเองว่าจะกลัวอะไรสิ่งแวดล้อมตัวก็ไม่มีอะไรผิดปกติ เราจะเอาชนะความกลัวต่างๆได้อย่างไรก็มีสองระดับนะระดับแรกเวลาเกิดความกลัวก็ให้ท่องพุโทโธพุทโธไปแล้ว e สวดอิติปิโสไปอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวพอเราเกิดความกลัวปั๊บก็รีบพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความกลัวนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปตลอดเราก็ต้องกลงว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตาย ไม่มีใครหนีความตายไปได้ถ้าเรายอมตายปั๊บเราก็จะหายกลัวอันนี้เป็นขั้นสูงขั้นที่ยากกว่าขั้นแรกขั้นแรกนี่นก็เพียงแต่เราลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปพอเราใจไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวเราก็จะหายกลัวคำถามข้อต่อไปนะครับจากคุณวิรัตนะครับเวลานั่งสมาธิจิตไม่นิ่ง เหมือนจะพาดิ้นไปดิ้นมาทำอย่างไรให้จิตสงบครับเก็สติเรามีกําลังน้อยเราต้องฝึกสติให้มากสร้างสติให้มากด้วยการหมั่นพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรายังไม่ได้นั่ง ถ, ถ้าทําได้ตั้งแต่ตื่นเลยก็จะดีพอลืมตาขึ้นมาได้ก็พุโทโธพุโทโธไปไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไป อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดก็คิดได้แต่ถ้าไม่มีเรื่องต้องคิดก็เอามาอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วสติจะมีกําลังเวลานั่งนี้ใจจะไม่แกว่งไปแกว่งมาใจจะนิ่งอยู่กับพุโทโธจะนิ่งอยู่กับลมหายใจแล้วจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายคําถามข้อต่อไปจะคุณ จากคุณมดงานนะครับเพื่อนทำร้านอาหารต้องนำปลาดุกในตลาดที่โดนเสียบคอรอตายมาปิ้งทั้งเป็นเพื่อทำเมนูอาหารวันละห ล, ะหลายสิบตัวทุกวันทำมาหลายปีทุกๆปีจะโดนของร้อนลวกตัวจนตัวพุพองตลอดอันนี้เกิดจากการที่เราทำผิดสินข้อหนึ่งเป็นประจำเลยส่งผลเร็วใช่หรือไม่ มันก็คงจะมีส่วนนะคับที่เราไปทําบาปนะผลของบาปมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เราอยู่ในภพหน้าชาติหน้ามากกว่าเคยฆ่าอะไรต่อไปก็ต้องไปเกิดเป็นสิ่งนั้นให้เขามาฆ่าเราแทนเคยฆ่าปลาดุกก็ตายไปก็ไปเกิดเป็นปลาดุกเดี๋ยวก็ถูกเขาจับมาเสีบเข้าเสียบคอเหมือนที่เราทนะําฮะ ทำอะไรกับใครไว้เนี่ยมันก็กลับมาทากับเราส่วนปัจจุบันนี้มันก็อาจจะเป็นบาปที่เกิดจากาอดีตตชาติหรือเกิดจากการทำงานที่มันต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่แนะว่าเป็นผลบาปจากการการทำบาปในปัจจุบันเลยก็ไม่เชิงเราคิดว่าเป็นผลบาปจากในอดีตนะ ผลบาปจากปัจจุบันก็คือไปทํางานกับของร้อนมันก็ต้องถูกลวกบ้างเป็นธรรมดาถ้าเราไม่ไปทํากับของร้อนมันก็จะไม่ได้มาลวกเราคําถามข้อต่อไปขอรวมคําถามของคุณทีรตินะครับและคุณทิพวรรณนะครับการสวดมนต์มีความสําคัญและจําเป็นกับผู้สวดมนต์อย่างไรและ สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนหลังสวดจะอุทิศส่วนบุญให้กับลูกชายที่เสียไปด้วยอุบัติเหตุไปปีกว่าแล้วไม่ทราบว่าบุญนี้จะถึงลูกใหม่คะการสวดมนต์นี้เป็นการฝึกทํำสมาธิทําใจให้สงบหรือการสวดมนต์นี้เพื่อเป็นการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจบทสวดมนต์ก็เท่ากับเราได้ฟังเทศฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เข้าใจคำหมายของบทสวดมนต์เราก็จะได้วิธีทำสมาธิทำใจให้สงบพราเวลาเราสวดแล้วใจเราก็จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ใจเราวุ่นวายใจเราก็จะหายวุ่นวายใจเราก็จะเย็นสบายส่วนผลที่ได้จากการสวดมนต์หรือนั่งสมาธินี้ไม่สามารถอุทิศได้ เป็นผลเฉพาะตนถ้าอยากจะอุทิศบุญต้องไปทําทานไปถวายทานถวายสังฆทานทําบุญใส่บาตรอะไรทํานองนี้บ่อยจากซ้ำให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเกิดบุญขึ้นมาแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงล้าไปได้คุณรัชดาพรถามเพิ่มมาว่าสวดมนต์จำเป็นต้องสวดทุกวันใหมคะ มันก็เป็นการาการปฏิบัติน่ยถ้าปฏิบัติมากมันก็จะได้ผลมากถ้าปฏิบัติน้อยก็ได้ผลน้อยเหมือนรับประทานอาหารเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประทานทุกวันไหมก็ไม่จําเป็นรับประทานวันเว้นวันก็ได้แต่มันร่างกายก็จะไม่เจริญเติบโ ต, ตเหมือนกับร่างกายที่รับประทานอาหารทุกวันคุณดอฟฟีนถามเรื่องสวดมนต์ต่อนะครับ สวดมนตหรือปฏิบัติธรรมที่บ้านจาเป็นต้องใส่ชุดสีขาวทั้งชุดไหมครับอ๋อไม่จำเป็นหรอกใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายไม่ทำให้ร่างกายอึดอัดเนี่ยเช่นอย่าไปใส่เสื้อผ้าที่เราเหมือนกับใส่ไปออกกําลังกายที่มันฟิตมันแน่นอย่างนี้ไ่ใส่แบบสบายสบายคุณจตุพรถามว่าเวลานั่งภาวนานอกบ้าน เราจะนั่งหันหน้าไปคิดทางไหนก็ได้หรือว่าต้องหันหน้าไปทางคิดอื่นๆที่ไม่ใช่คิดตะวันตกหรืออย่างไรเจ้าคะ่ะไม่ได้อยู่ที่ทิศหรอกอยู่ที่ความเหมาะสมตรงไหนเหมาะสมก็นั่งได้หันไปทางไหนไหนก็ได้คำถามจ้าคุณนักการลูกนั่งสมาธิพอร่วมสงบสักพักลูกเห็นผู้หญิงกับเด็กนั่งมองมาที่ลูก ลูกเลยออกจากสมาธิลูกกลัวควรทาอย่างไรดีเจ้าคะก็นั่งสมาธิไม่ถูกนะเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรกํากับควบคุมใจต้องมีพุโทโธพุโทโธไปเริ่มมีลมหายใจให้ดูไปถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดลูกอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะไม่มีวันสงบในเวลานั่งอย่าไปปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆนั่งเราต้องมีลมดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วใจจะไม่เห็นอะไรใจจะสงบนิ่งเย็นสบายเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่คำถามจากคุณบุญชยานะครับเราควรศึกษาพัฒสูตรใ ด, ดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครับพัฒนสูตรที่สำคัญก็คือหนึ่งธรรมจักกับปวัตนสูตรสองอนัตตลักษณะสูตรสอธิตยสูตร ส่สติปทานสูตรห้ามุงคลละสูตรเพราะสูตรเหล่านี้จะสอนให้เราเข้าถึงแก่นธรรมเข้าถึงวิธีปฏิบัติธรรมคำถามข้อต่อไปจากคุณภูวะเดชนะครับถ้าภาวนาไปแล้วลมหายใจดับหรือเกือบดับลมเบามากๆต้องทำอย่างไรต่อไปให้รู้เฉยๆนั่งรู้เฉยๆดูต่อไป มันจะดับก็ให้มันดับไปมันจะหายก็ให้มันหายไปแต่เราไม่ต้องทำอะไรให้เรารู้เฉยๆคำถามจากคุณนุนะครับพระป่าฉันอาหารสองครั้งคือเช้ากับเพนทุกวันอย่างนี้ผิดหลักไหมคะก็มันไม่ผิดพระมินาย์พระมินัยนี่ห้ามไม่ให้ฉันหลังจากเชี่ยงวันไปแล้ว แต่ถ้าจะถือธุดงควัดนี้ก็จะผิดเพราะธุดงควัดนี้จะถือฉันมือเดียวทุดงนี่มีอยู่13ข้อด้วยกันข้อที่เกี่ยวกับการขบฉันนี้ก็มีอยู่3าสี่ข้อ1การบินทบาตเป็นวัดคือถ้าจะฉันก็ต้องไปบินทบาตไปหาอาหารจากการบินทบาตเรียกว่าบินทบาตเป็นวัดสองฉันมือเดียวฉันครั้งเดียวสฉันในบาท อาหารที่ได้มานี้จะใส่รวมเข้าไปในบาศแล้วไม่ใช้ภาชนะอื่นใส่อาหารนี่คือเรียกว่าธุดงขวัตข้อบังคับพิเศษที่เราสมาทานขึ้นมาเหมือนศีลพิเศษวินัย227ข้อนี้เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามแต่ธุดงขวั13ข้อนี้ไม่บังคับให้ถือเป็นออปชั่นเหมือนกับซื้อรถ คือรถนี้เขามีของที่ให้มากับรถและมีของที่เราจะต้องซื้อพิเศษทุดงขวัตก็เหมือนกับของที่เราต้องซื้อพิเศษไม่ได้มากับศีล2 2งิข้ออยากจะให้รถวิ่งเร็วขึ้นอยากจะให้ปฏิบัติทำถึงมาพระนิพพานเร็วขึ้นก็ต้องซื้อทุดงขวัตเพิ่มทุดงสบข้อนี้จะทาให้ไปถึงนิพพานเร็วกว่าคนที่ไม่ถือไม่ถือทุดงขวั คำถามจากคุณอยู่เพื่อรู้ธรรมเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กลูกจะถูกพ่อใช้ค่าสัตว์มาเป็นอาหารแต่เวลาที่ลูกลูกจะได้รับผลที่ทำเหมือนกับสัตว์เหล่านั้นตลอดเพราะอะไรคะก็เพราะว่าเราทาโดยที่เราไม่รู้ว่าบาปไงเหมือนกับสัตว์ที่เขากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่าก็ไม่รู้ว่าบาปแต่เขาทำเพราะว่าเขาทำเพื่ออยู่รอด ถ้าเราโตแล้วเรารู้ผิดถูกดีชั่วแล้วเราก็เลิกทําเสียคําถามจากคุณทวิชานะครับที่ฉันชอบฟังธรรมะพระอาจารย์มากค่ะอยากทราบว่าเราสามารถบรรลุธรรมขณะฟังธรรมได้ไหมคะได้ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วมีสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมั่นเวลาเราฟังธรรมเราก็สามารถที่จะ เข้าใจทมที่แสดงได้และปล่อยวางตามที่ทมสอนให้ปล่อยได้การฟังธรรมนี้สอนให้เราปล่อยวางให้เราเห็นว่าการที่เราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆทําให้เราทุกข์ถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะหายทุกข์เช่นถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ได้ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ปล่อยวางความตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ต่อไปเราก็มารูท้ทาคําถามจ้าคุณปัญญาวุฒนะครับช่วงนี้กรัผมเกิดอาการเหมือนคนเลื่อนลอยไม่ค่อยมีกําลังใจในการ ท, ทําสิ่งต่างๆจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับก็อย่าปล่อยให้ใจเลื่อนลอยใช้พุโทโธหนึ่งเอาไว้ให้ผูกใจไว้กับพุโทโธพุโทโธนี่เป็นเหมือนกับสมอเรือนะถ้าเราทอดสมอเรือแล้วเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแส น, น้ําเอ ดังนั้นถ้าเรามีพุโทโธนี้ใจเราจะมีหลักใจเราจะไม่เลื่อนลอยไม่ไหลไปไหลามาพอใจเรามีหลักมีเกณฑ์มีความสงบมีความตั้งมัน่นใจเราก็จะมีกำลังขึ้นมาเราจะสามารถทำอะไรต่างๆที่เราคิดว่าเราไม่สามารถทำได้คำถามจ้คุณสายน้านะครับการนั่งสมาธิแบบดูลมควรดูตรงไหนปลายจมูกหรือท้องหรือแล้วแต่ถนัด แล้วการดูแบบเพ่งหรือดูเบาๆดูว่าร่างกายกำลังกายใจครับก็ดูแบบให้ดูเฉยๆอย่าไปดูแบบเครียดอย่าไปดูแบบกดดันใจดูได้สองที่ดูที่ท้องก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้แล้วแต่ความถนัดความพอใจของเราถ้าเราพอใจที่จะดูนมที่สัมผัสที่ปลายจมูกเราก็ดูตรงนั้น แวจะเราจะดูอาการของนมเวลาเข้าไปในท้องแล้วมันพองขึ้นมาเวลาออกจากท้องมันก็ยุบขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่ให้ดูเฉยๆอย่าไปเพ่งแบบจนกระทั่งเครียดให้ดูเหมือนกับเราเฝ้าดูทีวีอย่างเงี้ยเราดูทีวีเราก็ดูแบบไม่เครียดนั่งดูไปเฉยๆสักแต่ว่าดูไปนมจะหยาบนมจะละเอียดนมจะสั้นจะยาวก็ไม่ต้องไปบังคับนม ป่วยให้ลมเป็นไปตามธรรมชาติของเขาคำถามจากคุณกันตะพันนะครับเราจะใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์ในขั้นสมาธิหรือฌานเมตตาอธิบายด้วยขอรับ เ, ออเวลานั่งอยู่ในสมาธิเราไม่พิจารณาทางปัญญาเวลานั่งสมาธินี้เราต้องการให้ใจสงบให้ใจนิ่งให้ใจมีพลังพลังของใจก็คือพลังหยุดนะ พลังไม่ทำอะไรเ็าเรียกพลังปล่อยวางเวลาจิตสงบนี้จิตจะปล่อยวางร่างกายชั่วคราวพ อ, ออกจากสงบมาจิตก็จะมายึดติดกับร่างกายตอนนั้นค่อยใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากร่างออกจากสมาธิมาแล้วพอจิตมายึดติดกับร่างกายก็สอนจิตว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะยึดแล้วจะทุกข์ต้องปล่อยวางร่างกายเพราะร่างกายไม่เที่ยงร่างกายนี้ เดี๋ยวก็ต <TO X 2> like <who> ้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นไม่ใช่ของเราร่างกายนี้เป็นของดินน้ำนมไฟนี่คือปัญญาต้องพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่อยู่ในสมาธินี้ห้ามพิจารณาให้นิ่งเฉยเฉยให้นิ่งนานๆน่าจใจะมีกำลังที่จะปล่อยวางร่างกายได้คาถามจากคุณรวิวัน ถ้าพ่อแม่แบ่งทรัพย์ให้ลูกไม่เท่ากันเป็นบาปไหมคะเพราะส่วนมากลูกๆชอบคิดไม่ดีกับพ่อแม่ทั้งๆที่พ่อแม่เป็นผู้หามาแท้ๆ ถ, ถ้าเราตำหนิพ่อแม่เราบาปไหมคะบาปเพราะว่าเงินทองของพ่อแม่นี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นสิทธิของพ่อแม่ที่จะให้ใครก็ได้ไม่ให้ลูกเลยก็ได้ถ้าพ่อแม่เห็นว่าให้แล้วทาให้ลูกเสียหายสู้อย่าให้ดีกว่า เอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์จะดีกว่าพ่อแม่ก็มีสิทธิที่ทำได้เพราะพ่อแม่จะต้องเป็นคนที่ไปเกิดต่อไปแล้วพ่อแม่ก็ต้องอาศัยบุญที่พ่อแม่ทำไว้ให้ลูกนี้ไม่ได้บุญเหมือนกับเอาไปให้คนอื่นให้ลูกนี้เหมือนกับให้ด้วยความเหมือนกับว่าความผูกพันมันไม่ได้ให้ด้วยความปล่อยวางนั้น เงินทองพ่อแม่จะให้ลูกนี้จะให้ไม่เท่ากันก็ได้ให้เท่ากันก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสมัครใจความพอใจของพ่อแม่ส่วนลูกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำเนติเตียนไปว่ากล่าวพ่อแม่เลยไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามบุญคุณที่พ่อแม่ให้กับเรานี้ก็เหลือมากแล้วเหลือเฟือแล้วให้ร่างกายเรามานี่มีคุณค่าราคากว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้แล้ว ถ้าไม่มีร่างกายนี้ต่อให้มีเงินทางร้อยล้านพันล้านก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ว่าให้ชีวิตเรานี้พอแล้วส่วนอย่างอื่นนี่ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เพราะอย่างน้อยเราหาเองก็ได้ถ้าเราเก่งจริงเราบางทีไม่ต้องรอเอาเงินจากพ่อแม่ เ, าเอาชีวิตของพ่อแม่ที่ให้เรามานี้มาหาเงินหาทองเอง ดีไม่ดีจะได้มากกว่าเงินทางที่พ่อแม่ให้กับเราเสียด้วยซ้ำไปคำถามจากคุณสอระอันะครับเวลาผมเดินทางไปนอนตามโรงแรมต่างๆจะไม่สามารถนั่งสมาธิก่อนนอนได้กับขออุบายด้วยครับเพราะบางครั้งเดินทางติดต่อกัน 4-5 วันก็เพราะว่าเราไม่มีสติเราใจเราต้องคิดกับเรื่องงานต่างๆเรื่องการเดินทางต่างๆใจก็เลยไม่มีสติจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พอเวลามานั่งใจก็ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เลยไม่สามารถนั่งทําใจให้สงบได้จะสงบได้ต้องไม่ไปไหนมาไหนต้องอยู่กับที่ต้องไม่มีงานมีการแล้วใจจะได้ควบคุมใจจะได้มีสติควบคุมให้อยู่กับเรื่องเดียวได้ให้อยู่กับพุทธโธได้แล้วเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้คําถามจากคุณอาม อยากสอบถามวิธีฝึกตนให้เป็นคนแน่วแน่มีสัจจะครับบางครั้งศรัทธาแรงก็รักษาได้ต่อสู้กับความอยากได้แต่บางครั้งก็แพ้ความอยากก็ขึ้นอยู่กับสตินี่แหละถ้าเรามีสติมากๆเราก็จะสู้กับความอยากได้เราก็จะรักษาสัจจะได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินี้พอเกิดความอยากขึ้นมาก็ไม่สามารถรักษาสัจจะได้ พยะยามสร้างสติขึ้นมาให้มากๆคำถามจะคุณพักพรนะครับข้อที่1ช่วยอธิบายสัพเพธรรมานารังอภิเนวะสายะได้ไหมครัคงจะต้องลองไปเสิร์ชใน Google ดู็ตบาการนะข้อที่2 อ, อะอิทธิบาท4ีหากอยากรู้ทาข้อนี้ทําอย่างไรบ้างครับอิทธิบาท4ีก็มีทาอยู่4ี่ อันหนึ่งเรียกว่าฉันทะอันที่สองเรียกว่าวิริยะอันที่สมเรียกว่าจิตตะอันที่4ี่เรียกว่าวิมังสานี่คือคุณสมบัติและคุณธรรมสีประการที่รวมกันแล้วเราจะเรียกว่าอิทธิบาทสอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาสก็คือทางสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเรามีอิทธิบาทสี่เราก็จะสามารถทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นไปพระนิพพานได้หรือถ้าจะไปแข่งกีฬา ก็ได้เหรียญเหรียญทองโอลิมปิกได้ด้วยอิทธิบาตรสี่นี่อิทธิบาตสีนี้ใช้ได้ทั้งทางธรรมและทางโลกอิกทธิบาตข้อที่1ก็คือฉันทะความพอใจความยินดีที่จะทําสิ่งที่เราต้องการจะทําถ้าเราอยากจะได้เหรียญทองเราก็ต้องมีความยินดีที่จะฝึกเล่นกีฬาของเราเราอยากจะได้เหรียญทองจากการวิ่งเราก็ต้องชอบการวิ่ง ถ้าเราชอบการวิ่งแล้วเราก็จะมีวิริยะข้อที่สองคือความเพียรที่จะไปฝึกวิ่งอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะมีจิตตะคือใจเราจะคิดอยู่ใจเราจจิตยอจดจอ่จอจ อ, อยู่กับเรื่องของวิ่งอย่างเดียวจะไม่ไปเที่ยวไปเล่นกับใครจะเข้าไปฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆเรียกว่าจิตตะใจจดจอ่อแน่วแน่ต่อการฝึกซ้อมต่อกา ร, ตการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปแข่งขันกีฬาเรียกว่าจิตตะ ไม่ใจจะไม่วอกแวกไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่นนไปหาเพื่อนฝูงใจจะอยู่กับการฝึกซ้อมอย่างเดียวนี่ว่าจิตตะวิมังสาก็ความคิดคิดก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องวิธีวิ่งว่าวิ่งยังไงถึงจะวิ่งได้เร็วขึ้นทํำยังไงถึงจะได้ทําให้วิ่งได้นานทำไงทําให้มีกําลังมากอะไรทํานองนี้ใจก็จะคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของการฝึก เล่นกีฬาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ชิงเหรียญทองได้อันนี้ยกตัวอย่างจะใช้กับเรื่องอย่างอื่นก็ได้เรื่องเรียนหนังสือก็ได้เรื่องในชีวิตของครอบครัวก็ได้ถ้ามีอยูที่บาทีสีก็จะสามารถได้รับความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนอกยกเว้นนอกจากว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเหนือความสามารถของเรามันก็ช่วยไม่ได้บางคนบางคนมีเิทีบา่าสีทําเต็มที่แล้วแต่ ก็บางทีสู้คนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขาดีกว่าเก่งกว่าอันนี้ก็อย่าไปอย่าไปเสียใจแต่ถ้าเราแข่งกับตัวเราเองนี่เราจะได้ทุกคนถ้าเราอยากจะไปนิพพานเนี่ยถ้าเรามีที่บาศีเราก็ไปนิพพานกันได้ทุกคนแต่ถ้าเราไปแข่งกับคนอื่นนี่มันไม่แน่คนอื่นก็อาจจะมีกําลังมากกว่าเราเก่งกว่าเราอันนี้เราก็ต้องอยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าแข่งกับตัวเรานี่เราเราชนะได้เช่นแข่งกับกิเลสตัณหาของเราเนี่ยเราชนะได้ถ้าเรามีที่บาด4ีคำถามจาก YouTube ขอวิธีฝึกสติในชีวิตประจำวันเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างครับก็มีสองวิธีให้ท่องพุทโธไปเรื่อยๆไม่ว่าเราทำอะไรเราก็ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องต่างๆนานาสองให้เฝ้าดูงะนงานที่เรากำลังทำอยู่ ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ลุกขึ้นมาจากเตียงเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ดูร่างกายแล้วตอนนี้อยู่ในท่าไหนกำลังนอนกำลังลุกขึ้นมากำลังยืนกำลังเดินกำลังไปอาบน้ำกำลังล้างหน้าล้างตากำลังแต่งหน้แต่งตัวก็ให้เฝ้าดูการทำการกระทาของร่างกายในทุกอิริยาบถอันนี้ก็เียมาเป็นการเจริญสติ หรอจะท่องพุโทโธไปตลอดในทุกกิริยาบทก็ได้พุโทโธพุโทโธไปเพื่อจะไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคำถามอ่จาจะคุณพัวเดชนะครับถ้าภาวนาไปแล้วลมหายใจดับหรือเกือบดับถามไหมคับถามแล้วถามแนละ้วโอเคครับคำถามข้อต่อไปจะคุณชยาวุธนะครับอยากทราบว่าเราเจอสัตว์ชนิดหนึ่งวงเล็บตัวตะ ก, กวด กำลังจะกินลูกไก่แต่ผมไปไล่เพื่อช่วยเหลือลูกไก่ตัวนั้นไว้จะบาปไหมครับที่เข้าไปขัดขวางการกินอ๋อไม่บาปเหรอเพราะเราไม่ได้ไปทําเราไม่ได้ไปฆ่าตัวตะโกนเราไปช่วยชีวิตจัดทําได้หมดหมดแล้วครับพระเจ้าหมดแล้วเนละก็ดีที่ฝนทำท่าจะลงนั่นเนี่ยพระอาจารย์จะเริ่มไฮะ เดี๋ยวพ่ทชานจะไม่สบายอ๋อมันเราไม่กลัวหรอกเดี๋ยวกลัวญาติโยมจะกลับบ้านไม่ได้เ no ดี๋ยวจะติดอยู่ตรงนี um ้อย่างนก็เคดว่าพอสมควรแก่เวลานะจะมืดแล้วเนี่ยมืดฟ้ามัวฝนลมเริ่มพัดแรงนะก็ขอให้ท่านจกงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ